อาศัยบูชาพระสรีระทา่าของพระพุทธเจ้าอย่าปฏิเสธวันนี้ของคนนั่นนี้ของคนนี้ถึงขนาดว่าจะต้องเข็นต้องฆ่าแย่งชิงกันเอาไม่สมควรเนี่ยนะพระบัพต์ของพระองค์เนี่ยได้มาโดยบารมีไม่ใช่ได้มาเพราะปานาติบาสเนี่ยนะพระพุทธคุณไม่ได้มาเพราะการทําปานาติบาสแต่ได้มาเพราะรักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาสเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาพระองค์ก็ดูบูชาด้วยอันดับแรกก็เว้นจาก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 แปดกองทัพใหญ่เนี่ยนะก็กล่าวว่าถ้าแต่ท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นขอท่านนั่นแหละจงแบ่งพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็นแปดส่วนเท่าเท่ากันให้เรียบร้อยเถิดโทูลพราหมณ์รับคําของหมู่ของหมู่คณะเหล่านั้นแล้วแบ่งพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็นแปส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็กล่าวกับหมู่คณะเจ้าเหล่านั้นว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงให้ทานานนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจักกระทำพระสถูปและการฉลองทานานจะเอาทานานที่ตวงตวงพระธาตุนี่แหละไปเป็นเครื่องบูชาของตัวเนี่ยนะทูตเหล่านั้นก็ได้ให้ให้ทานานเหล่านั้นแก่แก่ใครแก่โทนตะพรางสมัยนั้นพวกเจ้าโมริยะอยู่เมืองปิดผลิวันได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานอยู่ที่เมืองกุสินารา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 ไอ้ไม่มีนี่แปลว่าแบ่งกันหมดแล้วที่จริงอ่ะน่าจะแบ่งของส่วนของตัวให้เขาบ้างก็ไม่เอาบอกหมดแล้วแบ่งกันหมดแล้วอนะไอ้ okay. ตัวเองไม่คิดจะแบ่งนะเพราะได้มาแล้วนะได้รับการแบ่งมาแล้วแต่ไม่ปันกันต่อเลยนะแต่ก็แหมทุกคนก็ยังว่านะพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเต็มที่แหละแต่ว่าอพวกท่านเนี่ยจงเอาพระอังคารแต่ที่นี้ไปเถอดเอาขี้เท่าไปแล้วกันนะนะแปลว่าขี้เท่าที่เผาพระธาตุเนี่ยนะ ที่ที่ประชมเพลิงพระสรีระพูดเหล่านั้นก็เอาอังคารจากที่นั้นสรุปว่าครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตนามว่าอาชาศสตรูเวเทหิบุตรได้กระทําพระสถูปคือสร้างเจดีย์เนี่ยนะในการฉลองพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เมืองราชครึกกษัตริย์ลิชวีเมืองเวสาลีกระทํำสถูปที่เมืองไผ่าลีกษัตริย์ศักยะเมืองกบิลพัดก็สร้างเจดีย์ไว้ที่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 บุตรที่ประเสริฐสูงสุดพวกนาคบูชากันอยู่ที่รามคำอันนีเน้เป็นคำถ้าบอกว่าเรียบเรียงเนี่ยเป็นคาถาสุดท้าเนี่ยเรียบเรียงที่เมืองศรีลังกานนต่อไปว่าพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งพระเขี้ยวแก้วเนี่ยนะที่อวดาชั้นดาวดึงเอาไปบูชาพระเขี้ยวแก้วอีกหนึ่งองค์เนี่ยบูชาอยู่ที่เมืองคันธารปุระ พระเคีื่องแก้วอีกองหนึ่งบูชาอยู่ในแคว้นพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพวกพญานาคบูชากันด้วยเดชแห่งพระสรีระธาตุนั้นแหละแผ่นดินประดับแล้วด้วยนักพรตผู้ประเสริฐสุดพระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุนี้เชื่อว่าอันเขาสักการะสักการะดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพพญานาคและจอมนระ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 โดยร้อยแห่งกัปเนี่ยนะผมเมื่อไรเนะ้ะกี่กัปกี่กัปกี่การจะได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งองค์พระทันตะฟันทั้งสี่สิบซี่บริบูรณ์พระเกศาพระโลมาทั้งหมดเทวดาก็เอาไปทีละองค์ก็นําสืบต่อกันไปในจักรวาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไหว้พระาธาตุนะไปไหนก็ไม่ได้ค่ะรถก็ไม่มีค่ะใช้จ่ายก็ไม่บอยยกมือไหว้ไปได้ทุกทิศเลย น, นะจะเอาทิศไหนแล้วพระจักรวาลเนี่ยนะทิศ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 พันจักรวาลนี้เรียกว่าอนันตจักรวาลไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดเรื่องนี้มากก็ก็เรียกว่าเสียเวลาชีวิตะนะเพราะมันไม่เป็นคิดในสิ่งที่ไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายที่มาจากโดยเฉพาะมาในเนี่ยหมื่นจักรวาล น, นี่ก็มาเอาพระาธาตุไปล้ไปช่วยกันบูชาไปเคารพสักการะนับถือแล้วก็บูชากัน น, นะแต่มนุษย์จะเขวาลอื่นเนี่ยไม่ไม่ทราบกนะแต่เทวดาที่มาจักรวาลอื่นก็มานําไป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 เอามาจากไหนก็เอามาจากเนี่ยแหละจากศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกมาไม่ทันเรือพระพุทธสมณะโคดมเนี่แหละตีตัวไว้เฉยๆเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ขึ้นอนะเต็มลำกันไปหมดแล้ ว, ลวก็นู่นนั่นนั่งหลังก็รอไปเถอะปัญหาว่าระหว่างรอนี่ยจะไปก่อหนี้เข้าแล้วล่ะเนี่ยนะเรือมาแล้ยอดไปเลยเนี่ยนะจะไปเล่นการพนันทั้งหมดตัวเข้าล่ะเนี่ยนะคือมันมันมันเป็นอย่างนี้นะว่าเออเนี่ยคือ ทุกคนเนี่ยนะโอ้ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้กันเยอะแยะทีนี้บุญมันมีผลใช่ไหมบุญมันให้ผลกลายเป็นผู้มีอำนาจกลายเป็นนักฆ่าไปเลยอย่างกันนะก็สงครามอย่างเดียวเนี่ยหรือบุญมันให้ผลเนี่ยกลายเป็นนักโกงอย่างเดียวเนี่ยหรือบุญมันให้ผลกลายผิดกามเมไว้ทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดหรือว่าขี้เหล้าเมายาไปดื่มไว้ทุกคนทุกแห่งไปหมดอท่า ย, ยัางี้ก็แหมอันนี้สร้างหนี้มากไปมากเนีย่ยนะหนี้เสียมันเยอะไปเนีย่ยนะถึงมาเขาไม่ให้ไปง่ายๆหรอก นะนะถึงเรือพระพุทธเจ้าองค์ไปมาไอเจ้านี่นี่มันมีเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นโอโยเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยอย่าเพิ่งตายเลยเนี่ยนะเพราะไม่มีวาสนาแบางนั้นนอะไม่มีที่นั่งแบบนั้นกลับแต่ถ้ามีบุญก็ไม่น่าหนักใจอะไรหรอกเนี่ยนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งพระาธาตุเนี่ยนะในหน้าสี่ร้อยหกสิบสองย่อหน้าสุดท้ายล่างสุดเล่ากันมาว่า พอเจ้าเหล่านั้นยินยอมแล้วโทนพราหมณ์ก็สั่งให้เปิดรางทองเจ้าทั้งหลายก็มายืนอยู่ที่รางทองนั่นแหละมายืนห้อมล้อมกันเลยเนี่ยนะต่างก็มองเห็นพระบ ร, รมธาตุซึ่งมีสีเหมือนกับทองคําเนี่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าดูเหมือนสีทองคำเสียดายนะได้นะไ ด, ดไูได้เห็นภาพไม่มีใครเก็บภาพตอนนั้นเอาไว้บ้างเลยนะก็จากครูวิญญาณทำมาไม่ดีอะ่ะ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 สีก็ ง, งามประดับด้วยมหาบริศลักษณะสามสิบสองประการขจิตด้วยพระพุทธรัศมีมีสีหกประการงามรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะแปดสิบประการในขเราว่าเขาทบทวนเล็กน้อยเนี่ยนะทบทวนว่าพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยสัพพัญยูพระพุทธเจ้าผู้สัพพัญยูอันนี้ท่ากล่าวตามมหามหาสีหนาสูตรสัพพัญยูก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นเป็นท่าอรหันไกลาจาก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 คิดไปคิดมาบอกไอ้คนที่พูดอย่างนี้เดียวก็เป็นพระาธาตุเหมืนั้นนะเดี๋ยวาธาตุก็กระจายเหมือนกันเลยเป็นหนักใจมากเลยเนี่ยนะใช่ไหมพวกเราเดี๋ยวพูดเรื่องาธาตุดียวในที่สุดของเราก็จะเป็นอีกร้อยปีนี้าธาตุของเราจะเหลือไหนกันน่ะเขาไม่เรียกาธาตุเขาเรียกอัถิอัดอัดอัดมาจากคําว่าอัฐิเนี่ยนะที่เรียกว่าเก็บอัดแต่ถ้ า, าธาตุก็าธาตุสีนั่นแหละดินน้ำลมไฟแต่ว่าพร ะ, พระาธาตุของพระพุทธเจ้าทําไมคนจึงเคารพนับถือมากแล้วของเราอ่ะ บอกธาตุเราใดเป็นที่กําหนดรู้ทำกิจในอริยศาสี่เสร็จแล้วธาตุเหล่านั้นเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ธาตุเราใดที่ไม่ได้ผ่านการเจริญกิจในอริยศัสี่เลยธาตุเหล่านั้นไม่น่าสนใจเขาจะมาบดเป็นเป็นแคลเซียมเนี่ยนั่นกินต่อไปก็แล้วกันนั่นเอาไม่เคยทานแคลเซียมนะมาจากอะไรอะเป็นไหยมาจากกระดูกทั้งนั้นแหละประกรอบนะ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 อริยสัจสี่เพื่อประกาศตัดความสงสัยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็เห็นว่าพระรามเนี่ยหยิบเอาไปใช้คำ่าฉกเนี่ยมันเป็นอธินนาทานเนี่ยนะซึ่งพระนาคามีไม่ทำ น, นะนะแล้วพระพูดเดี๋ยวก็เสียหายท่านใช้คำว่าพระทากพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาที่พระองค์ประกาศสัจจะสี่เมื่อพระองค์ประกาศสัจจะสี่นี่แหละจึงทำให้ขจัดความสงสัยมันใครที่จะไปเมืองจีน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 ที่ภาษาที่เกิดมาก็แปลไม่ออกแม้แต่คำเดียว